ไปโดนบ่ะล hmm. ่ะฮะโม่ดึงไดีวนีู่ <mm ่วยหลวงพูคบบได้ค่อยกับว่าได้นั่งโดนป่นกทิศตกัเมียล่ะอันในค่อยกัได้นั่งโดนปเทศบ้านโดนนึงส่วนไม่ ยากได้เรื่ อ, อ, อ, องแทกเรื่อมันยากแต่ยังถึงนางพันนี่เลยคนเัาสวนมากที่จะสอบฟั ง, งบวกสอบแทรกใครก็บอกว่าปฏิทัศน์ทรูเพราะการฟังพระพุทธเจ้าคนิทัศน์ทะลุด้วยการปฏิบัติได้ฟังยังไงฟังหลอกเทรกเพร่อใด สำคัญตึกร า, ททารนเพศภาคปฏิบัติภาคนางเบิงลง้มเข่าล้มออกโดนๆนี่มีหลายแนวของพระพุทธเจ้าใจของคนค ม, มันบป อ, อยู่น้ำล้มมันไปอยู่นำ้ำลําุ่ยกับสวยงามวุ่นจักลำลุวยสวยงามเปมลงลง็นมรณะลมพระจงคกัดคว้เขาพรเห็นล้มอันเห็นล้มกูจับคว้าบาปกับบุญตั้งกันอึดตัว เพัเที่ยวไปฟังลำรวยสวยงามเป็นมอนารอกแต่เห็นสวรรค์กับเบื้องล้มเห็นก็จะนั่งเบิ้มุ่งม่นแต่พี่ไอยากเศร้าไม่อยากเศร้าไม่ตัดเข่าถึงใหญ่ทำไม่ตัอารมณ์นอกๆเือนี่อันนี้กะอัปปนาคุปัจระละสามดับขุนเดชนี่ต่อัปปนากับอะไรเ้าเถาะเาเาเก็บหันเก็บนี่ ใจเก็บ <virgin> ก <aju> <comb ikal, kick out> ็เป ma. <rauen> okay, okay, ็นนี่เป็นไตรวาเป็นนี่ใจผู้ว่าเดีมันเฉลี่กเป็นได้บ่อยเหลียโตกี่ข้านเก็บพันป่วนนี่ก็ที่ว่าร่างกายเก็บบัดย่างบ่ไม่ใจร่างกายกูก็เห็นเก็บนะนึกในหยิบนะเอาแกหยิบก็เขาเตาก็เก็บปั่น ผู้เก็บก็ได้ว่าผู้ว่าก่ได้เก็บของใจว่านั่ว่ากายม่นเป็นของเฮาเกิดแล้วแก่เจ็บตายนะผู้ที่ว่าซื่อๆถึงว่าเขเห็นเกิดแล้วแก่เจ็บตายผู้นี้จพ้นไปได้พ้นจากแก่จากเจ็บจากตายของพระพุทธเจ้าพลสอนในเห็นจุดนี่ให้เบางจุดนี่ให้หูจุดนี่ พระพุทธเจ้าคนหูจุกนี่พุทธะแต่ว่รผู้รู้ก็ทัาใจก็เข้าห้เป็นพระพุทธเจ้าผมน่าห้ยหูกทั่งใจก็เข้ให้หูกินมากไหโรคกวิฑูลูแกงโลกโลก้อนน้อยของเขานี่คันโลก้อนน้อยนี่ลูกก้อนนี่แล้วโลคสัดโรคยอาศัยนี่มันทนจับกะไรจับเท็จกะห้มัดนั่นแนละโรคกระวิู่รูแก้งโลกอันนี้ต้งตัวก็เขากับว่ารูปแกงกงตโลกทั้งหมดที่รูกแกงเพว่า เพราะไปติดอย่างนังนแะติดจมวนาลงเขาตื่นขึ้นมาแต่งตัวแต่งใจว่าแบบแต่งของบูรของเนากวาดของบูรของเนาเต็มไปด้วยของไม่สะอาดคือว่าสั้นๆคำว่าวคำว่าเห็นตำควอมว้าแบบสอนให็นนกแก้วมันก็ขวบว่าไรอยินดิแต่มันเห็ดได้ว่งจำเอาลังถาดเอ้อ ตั้แต่เย่ทุกเดี่ยวมีผ i, ู N ang. N ang grand, ้นั่งบ่ละนั่งทุกเคลืนตุกเคื่อนเคลื่อนหนึ่งห้าที่ได้ก็บรยเมื่อเคลื่อนนี้บอกนั่งทุกมือทุกน้นมือหนึ่นาที่ดีนั่นมหามปองมันก็ะติถามแล้วไปจะได้ยกมือขึ้นยกมือขึ้นดูหันน่ะแ่ยกมือปก็ถามว่าสัแล้วอันนี้ก็ถาม่านนั่นละหูเห็ดว่เห็ดหูก็หู ปัจจตังรู้จำเพาะตนผู้เบังหูบเองเห็นเองหรือผู้ดูใจรู้เองเห็นเองผู้ทำรู้เองเห็นเองให้ทำเป็นทานให้ทำบุญทำบุญคืออาหารใจจากว่ากายในตัวเขาไมีกายก็มีใจใจเท่าว่าเป็นแก่ว่าเป็นเจ็บว่าเป็นตายว่าเป็นแ ต, ปปแต่งู้เบื่อผู้แทงผูรักษาใจ รักษาอยังสังขารร่างกายเอาโรคปานมือหนี้ก็ไปเยี่ยมแล้วโรคปานไหนที่มีรักษาคนผูตายปญาุญญาตญาเายคือคนไปกอ น, นกับรักษาคือกันบุญเมืนติคือตายอยู่แล้วไปที่โงรงพัจจุ บ, บาลผูตายมีโรงเดียวคือโรงของพระพุทธเจ้าโรคปัจ บ, บานของพระพุทธเจ้าคือล้มเอาการเห็นล้มผู้ใดตายเป็นเดี๋ยวมมีล้มก็ไปแล้วใจนั่น ง่ายเพรา่นพระเจ้าสอนง่ายงแต่บางคนเขาถึงมักยากนี่เหตุเพราะใดนั่นคำตอบอันนี้เพไดะเพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนบัดนี้พุทธเจ้าเป็นผู้สอนคือเหตุใดฮะคือใสพรนพุทธเจ้าก็สอนขอเหตุใดอยู่รุ่่นด้วยคุกคือตะลางพุ่นนะเ่นงจำหุ่นนะว่าเป็นแนนว่าต จังหวัดแห่กระไดพระพุทธเจ้าหลวงกสอนไปให้ป้นใหน้กี้ให้คาให้ตีให้คดให้โกงกันเนี่อยู่ในหันโพธิ์แหล่ะพวกโคดโงไปป้นไปกี้ไปคาไปตีหลอกล่วงกื น, น้กลอมกันมันเป็นละอายพื้นแท่ที่ประเทศไทยเมืองปุตตแท่อด็กจะสั่งตะควมปุ่นไหวสัง่งตะควมเดือดร้อนนีนพอควมถูกก็ใสหรือควมถูกกอนำลุ้ย ความสุขที่สวยงามเอ้ามันสวยงามแค่ไหนก็เท่าเป็นแกเเป็นเจ็บเป็นตายเป็นบังบ้าเต็มไปด้วยของไม่สะอาดเป็นว่ะหามาเท่าไดกับพ่อมาแตงพ่ให้บวดพ่ให้นองมันหอมจุ๊แต่กูดก็น้ำหอมแต่ว่าโตข้นมันหอมกระทองเราบอกว่าพิจนาวเต็มไปด้วยของไม่สะอาดหรือว่าซื้อเลี่ยนเลี่ยงเลี่ยงระดับออกไปเบังบ้ ถลอกเสื้อออกถลอกหนังออกถลอกกระดูกออกเขาไปขอดใสแน่จุน่นแน่นแม่ของบูดของเนาว่าร่างกอดของบูดของเนาว่าธรรมะเราใดเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายกันเขาพิจานาจุ่นนี่มัน ก, ก็บเบื่อหน่ายก็ทั้งการน่างกายที่ไปติดวันไดมันบูดมันเนาเขาบอกเบื้องแรกเจ็บแขงเจ็บขาเหตุว่าอะไรว่ามีบุญนั่นเห็นไ่ม ว่มีปัญญาติเสียงกิเลสเนี่ยกาผู้มีปัญญาผู้มีบุญยังไงจิได้เป็นคนเห็นว่าถึงคนถึงบ่กคค็คือการต่นพุุนพวกผูมีบุญพว ก, พ, วกพิกคนฟิการบ้าใบปลอดนวกเกิดขึ้นมาดอนแต่ติดเสียติดศาสตร์หรือเป็นขาแฝดขาติดกันหัวติดกันหลังติดกันเอิบติดกันบุ่นผู้ได้อยากเป็นถึงตินเสียกิเลสเราเห็นว่าได้หมดมามาด้วยบุญ เอาต้องยูด้วยบุญเอาต้องกลับบ้านเก่าด้วยบุญอยากว่าอันยูด้บุญก็คือทุกมือต้องเบิ่งบุญทำบุญนั่นนั่นล่ะให้ทำบุญบอกให้ทำอันไห้ทำก็ทุกก็เห็นคือบอกกิ้นเขาจึงใช่ไหมคือบอกเป็นเส่อ่ะอืมเพราถ้าอยู่ย้ำไหนก็จิ้นเราต้อคือบอกว่าศาสนาตั้งก้อนจะนจินเข่าหรือเข่ารรษาก้อนยังจิ้นเข่าคือบอกว่า บรบอกให้เอาบุญเขาภาษาคนน้ อ, นองโป้ทั้งถือศีลเห็นเ่าละ่ะขาดไปเดี๋วนี้ก็เมือศีลหนึงไปหรอกขาดไปเดี๋วนี้พระพุทธเจ้าควรหาศีลหาธรรมมาสอนคนถามใจของเมืเจ้าของเป็นคนผูบันและก็ได้สอนคนตายนั่นสอนคนให้เบิ้งสวรรค์ให้เบิ้งนรก แต่เขาเห็นสวรรค์เขบอกหุ่จักวัตยังไม่น่กรักสวรน์นั่นเขาตียัดด้วยพิจนาละยัดด้วยลำลวยสวยงามนี่หลวงปู่ว่าเป็นหมดน่ารักพวกงายนุ่มแต่ว่าเป็นสวนรรค์ติสวรรค์ อ, อ ะ, ะ, ะไรก็ออกไปน้ำพระใดลำลวยผ้าไปสวรรค์พรได้ซื้อไปพรได้ี่สวรรค์ยิ่งภายในิาน้าเนี่ยสูงก็นั่นแหละการเสียกุศลนี่การกุศลก็ เห็นว่าดดเห็ุว่ได้ย่อมเลียดทุัชนแล้วบันเสียชีวิตถุนเด้บบันบันเจ้ากรรมนายเว้นเขาถามนี่พญายมพิบนันเจ้ากรรมนายเว่นนะรือว่าโบมี่ติกรรมเว้นใส่ <c oughs> เ, เสื้อจุดนี้กันกรรมเว้นโมีค่ค้นห้องผินจังเพราคือกันกระถามมรดในโลกนี้คือกันเมื่อว่าตันว่าเฉพาะประเทศเขาเด ประเทศเท่าก็บพ่อคือกันยุ่แเดววังมีดีชุกลำรวยสวยงันทุกยากลาบากก็ น, น่าทาพิคลพิการนอนอไปจากหยั่งสนัตฉันพูดม่ไปจากบุญจากบุญจากกรรมเป็นพ่มีบุญอะไรเป็นกู่เป็นคน้นชุบบุญปานนี่ดอกติดโฉมนุษย์สาปติลาโพการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาบอันประเสริฐ ติดขังสัตรธรรมมัทธวนังการได้ฟังธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นลาบอันเถเถิดติดโฉมนุษย์สาธิตลาโภนแต่ฟังคำคําสั่งสอนของปู่เจ้าได้เป็นมนุษย์สมบูรณ์ดีแล้วไต้พกระศาสนาถึ่งเป็นคําสอนของปู่เจ้าได้ฟังและเห็นมุสอันตรีเนวาธาตุเทียบกับอาหารแล้วพระพุทธเจ้าหาอาหารใจไว้สําหรับค่าเงินผ้าคํามเหนือดินยั่งยังเดียวคือสิริประธานบ่ ก็ยังหิวเข่าอีกสักทีไหมบวชละพระธานกัรับประธานุต่อๆนี่บวรละพระธานุบุญเขาพรนาคนหลวงปู่ยอเหมือนนี่วันศิลปนั่พระน้าแหลตัวหลวงปู่คน้อยถือมิลป์น้เขาพันศาบุญจิ้มเข่าเพียงบัตวางสั้นละบัรคนน้อยเขาพรนาจังจะจิ้มเขา นั่นเห็นว่าไปหลงกายว่าเป็นของกูเป็นของกูเป็นของกูเป็นตัวกูตัวกูเปลียนเ่าเป็นแก่เป็นเก็บเป็นตายเป็นถามก็ไปที่พวกอีกคนญาถามกิเลสพวกจักมัยังกิเลสเทียบันกันพวกจักกิเลสกูพวกจักบาปพวกจักบุญพวจักนรกพวจักสวรรค์อันพวกจักสวรรค์ก็พูกจักบาปพูกจักบุญเดี๋ยวเนี่ย เอาคิดมึงดูละเอียดมึงดูทีนี้ทำบุญเจ้า ว, วัดสิบวัดจถวหลวงปู่ทำผาป้าสิบกองสิบวัดทำกระถิ่นสิบกองสิบวัดพระเพิ่นบอกกางไหญโยมมาหยังถวายสักฆทานถวายผาป้าเชิญจุดทูบจุดเทียนเชิญถวายสักกทานเชิญตรวจน้ำแต่แเระบอกทำบุญก็ฝ่ะ มันเนูติ้นี่มันเป็นตนีวัดนั่นวัดน like ี้พระนั่นพระนี่นีพระพุทธเจ้าเพิ่ง่อเหเสียพระน่ถึงบ่พระเป็บอสอนคือพระพุทธเจ้าเพิ่งบอกในท่บุญหรือพระก็เห็นบุญบอกเป็นไปเห็นพรมุขี้นี่ฝากขวดม้านแล้วว่ท่บุญท่านางมังกรหายใจก็ออกนั่นบุญเออมีความหลักวนไหนมีความรวมยุทธใสขนสันติดีนด้ จึงได้บอกให้ตั้งสติดีเบางลมเขาเนาวงาล่มออกเนาวๆาเพื่อบังคับให้ใจลืมอล่มมันเริ่อได้เพราะสิบครั้งบ่ไปมันจักจะไปใส่ละบันอาว่าเห็นตำลมอยากคนรวยอยากสวยงามหุดหยิบคุ่นไหวอุ่นใจว่สงบ เพี้ยนกดใจได้เป็นเ พ, พี้ยนพระเจาจามกดทนเอาเพี้ยนดึงมา้าเพี้ยนดึงมา้าดึงมา้ามันโบยูมนงไงกดมึงดนโดนโดนัน่นงบบลุกให้มันเจ็บลายไปมันจะตายพวกนี้แล้วมันก็ขามาหาล้มตัวนี้มันเจ็บเจ็บปวดเศาเจ็บป่ดเศาไปวันเจ็บเพี้ยนเจ็เจเจลาขอมาเบิ้งลงมันก็เศบ้าเจ็บเรียบอะนั่นเพาะแกะแกะกอกได้เนีย กันสติดีเกันสติพอดีก็เจ็บที่ตายเจ็บทีตายกันสติดีล่วมัเขาพึงร่มหรอเจ็บตั้งหัวมึงที่บอกจีนาเจ็บไปเจ็บจะหันแม่ปัญญาเขาเผาไฟคืาเห้าว่าเจ็บอ่ะนั่นด้ปัญญาขาดกิเลสอันนี้ว่ามีปัญญาที่ขาดกิเลสแล้วถ้าเก็บกับกิเลสมันตัวเศร้าใจนั่นทั้งเจียเพท่านเนีนั่งซ้ำเฮ้ยเจ็ตัวมนั่งก็ได้โยง นั่งบะได้นะปฏิเสธไปแล้วว่าจะบังคับพอเข้าก็เห็นผมมีความเทียนบมมีความเสื้อหมันแถวไตเชอบพูดติดถัวเจ้าของทัางพิธีกรรมสวนมนต์แบบพระตด๋วจังบะได้ถึงที่แถวใตทชอบพูดก็แค่ว่าทุกมือก็สวดล่า นุงก้ายเฮ็ดๆอิมนาสกาเดนะพูดคำทำมังซั่งครังอาทิตยปุจจามะอรหังตมาตวากะโตสูปติปนโนนโมสามครั้งนั่งบังทำบุญเด้ดยวมันไปสวดได้หลายเราเอ้ยเฮ็ดบุญแล้วสวดมอดหยแล้วมาจากบ่นังซั่งไปการนั่งกับการสวดมันต่างกันเด็กการสวดนี่แปลว่าจมจากไม่บุญยากไม่บุญยากไม่บุญหรือว่าอยากกินเขาอยากกินเขาอยากกินเขา บอกินที่อิ่ม่อนอยากมีบุญอยากมีบุญบอกทำบุญที่มีพ่อปับอทำเอาเพราะว่าบุญทื่อย่ก็ได้เขากิดตัวกันติัวเฉพงะปหาทำบุญที่นู่นปหาทำบุญที่นี่เขาจะไปหาทำใส่ทำอยู่หัวใจตัวทำอยู่ดังเนี่ยเอาลองดูไปหาใส่ขึ้นเขาเนี่ยบอกทำอยู่หัวจะดัง เพราะฉะนั้นอยากให้เน้นนักภาคปฏิบัติเนี่ยอมีปูชชาตามการตามเวลาตามกําลังศรัทธาเหตุใดทําไดนี่ในสงแต่ไหก็เห็ุไต่แต่ว่าภาคปฏิบัติรักษาใจดีเพราะจากไหนทิมเรพราจากให้เริ่มฉิดบ้างหรือแก่เกิดห้าเฮารักษาใจเลี้ยงใจแจกใจกับแต้งร่างกายเลี้ยงร่างกายรักษาร่างกายอันใดหลายพวกกันกัเทียบเหตุฟังแด้อกกตามา่หนีสองกตา กตานึงไซแนวแตงใจกะตานึงใส่แนวแตงกายอันไหนเตรียมก่อนกันถามเจ้าของนั่นที่ไปถามผูู้อื่นนั่นไปถามพระพระคุบก็เคยเห็นกัต่อพระถืออันตัวนคือมานนี้นผู้บกเคยเห็นกับมานพรถือไปถามผู้บกหุ่จักก็บอกพระถือเนี่ยบุญนี่ก็คือกันเ่ามันของเล็กน้อยที่พระมเจ้าุญมานี่ทำที่เราตัดทาก้นในตัตัลรู ยากที่สามัญนช น, นคนมีเกรเอจะทำได้จะดูได้จะรู้ได้จะเห็นได้น่ะรู้จักว่าคนมีเกลเอที่ไหนบ้า <c> ง <oughs> ไม่รู้จักตัวว่ามีเกลเอเกลเอที่ไหนทำได้ <c oughs> เียเกลเอคนี้นั่งอยู่ในหัวใจคนเพรามีบ้านู่ทรงรพย์ไสเสกาบดสร้างบ้านอยู่ในหัวใจคนโตฝากไงก็คือหลักโลก ตันตต่ตัวกิเลสตัวใหญ่เอาถามเข้าไปเล็กเเพชรเข้าไปกัน้นกองหาวงรูเห็นว่าคิดเกลกเละเอียดอีหล๋ว่เข้าใจว่ารักโลกนี่เป็ น, นกิเลสด้เพราะผู้ใดก็ปัตตนาจากรักกับโลกโลกก็มาจากไหนจากกลมลวยสวยงามรักก็มาจากสวยงามถือ่แมนถึงจะเกิดความราวแต่งให้สวยงามให้คนรักหลอกเจ้าของก็ไปหลอกผู้อื่นดีสองหลอกสามหลอกหมด ความหล่อพ่วงเหมือนเป็นเตจิเลตตรวจผู้เจ้าท่างสอนเอาความกิง่งตรวจเยียมกิ่งประสังขารร่างกายเยียมไปด้วยของไม่สะอาดสังขารร่างกายไม่เที่ยมเกิดแล้วแก่เก็บตายฟังบอกเสียงพระพุทธเจ้าเอาก็เป็นนิดนิดน้อยหรือพรท่านเป็นกัน เ, ปนเป็นตรวจทุกภาพนั่นโยมเป็นอะไรตัวบัดเขาไม่ได้ว่าโยมเป็นนั่นเป็นนี่นี่ป่วยเป็นอะไรตายายเป็นอะไร น, นี่เสียอย่างโรงพยาบาลของพุทเจ้าของเจ้าว่ารักษาใจได้ว่ามีเกิดแก้เ จ, จ็บตายว่ามีนั่นรุดยอดคือโรงพยาบาลเดียวคือพ่ให้นคนเกิดแต่พอมีเกิดแก้จะตายว่ามีนั่นโรงจจยพยาบาลหนึ่นงของโลกตายเราเนี่ยรักษาหายเราไปเนั่ยตายตายเราดีวดุ่นดีไปเกิดดีขึ้นตัวแก้อีกจะคบจะฆ่าจะกลับจะกกันน้องจูจักเข้าถึงใจถามมั่งดู เขาเกิดมาจากภพชาติแล้วโคตรสิมาพบนี่ชาตินี่เอายืนไปวันไหนถึอตะกองกระดูกเกี่ของเกิดรู้ว่าฟังเห็นบ่ติเงินบ่เหยาะปลาเข็มลงในดินถึอกองกระดูกเข้ารดน่นแต่ทังพระเสียก็ต้องเข่าถึงใจผมดูถามใจน่ะว่าเกิดจากภพชาติหรอจะถามมุขอื่นบ่จักแปลว่าผู้อื่นฟังเขาพระเสียว่าฉะนั้นพระเจ้าจึงบอกปัจจิตตังรู้จำเพาะตน ผู้ดูเห็นเองรู้เองปฏิเสธไม่ได้นั่นพระเจ้าเว่าแล้วเถียงว่าไรกว่าขั้นเป็นจริงอยู่กับพระเจ้าเมื่อแล้วสิ่งบอกจริงพระผู้เจ้าบนพรสอนนั่นให้ถามก็ไปพระเจ้าสอนให้สอนหาศีลหาธรรมมาสอนคนสอนคนยังมีชีวิตแต่เห็นปัจจุบันเบื้องปัจจุบันเห็นปัจจุบันหู้ปัจจุบันหู้ยังหู้สวรรค์หู้นรก นี่เขาบกเิ่งผู้จากวสรนต์เป็นังไงนรกเป็นังไงเีบั้ขึ้นมาจากลำลุยวิ่นวันวินวันรถว่านั่งว่จอดว่ารีหาอยงหลัเอาจากคิรถไปยหนไปถามมึงแม่หากันโยงกันตั้งแต่ของเผาเจ้าของตัวได้มาแล้วคนม่จืมมาจืมเพามากืนไหนเป็นปัญหาเพมัน อ่อนใจโอเขาเดียไปตอนิลานตะนรลานถึงว่ามาหานาอถึงหายก็พวกหายเนาะค่อยปีนั่นค่อยเดือนนั่นค่อยเดือนนี่คุณว่ามาหาถามเสียหนึ่งสองสเสียกระเสยเสยเทียสามเอาเมื่อปืนไปปอบเดี๋ยวมาแล้ววัังไหนถึงหายก็พวใหายญาติก็ต้องไปหาจำก็เนี่ยท้านบันทองห้หน้าผาทานยึ่ายก็ไปจำมาจับมาจำน้องจองจำไทมาผมว่า ไอ้เขาเจ้าที่บาดอันว่าไห้เขาก็เอาเรแล้ ว, ลวาตายา่าดแล้วบาด น, นั่นห้านว่าบัดเป็นวกก่าน้ารกว่าลำรวยถ้าจะเป็นกนาลก้วกรย่า ก, กแห้งระะหเราขึ้นมาเจอพวมาไห้กระย่าเขาไปอีกกยติดเป็นเรื่องเป็นเล่ารองร่องเขาไปอีกไปข่าเขาตายกับมีปัญหาต่อไปอีนปนนกนี่เป็นห่าหน้ารกว่าจัดเวรง่าเวกันเนี่ย ตะลากโกโก้เก๋ๆมาถึราคาเพชรนิ่งจิตอาไปมันกันเป็นแสนเป็นล้านแต่งานกันแล้วสองสามเดือนเตียงหักกันว่ามาจากว่าเตียงหักกับใจหักเ <c oughs> พราะยังเพราะความหึงหวงผู้ชายขเขากก็ผู้หญิงบ่ได้หึงกันหวงกันไปทําการทํางานคํามือปิดตาก็ว่ากลับไปกินข้าวแต่จิตวิวัฒูอยู่บ้าน เขาเชิญจะกินข้าวคนน่ะกินข้าวจังไรยุบ้านก็แแตงไปทาเขาแห้งเหรอแต่นอกใจเท่าไ่เห็นว่าเป็นเรื่องไปเล่าทะรลาะ ก, กันได้บหมเป็นเหมือนนรกว่นน่ะเขาไปค้าขายกันดถูถือว่าคำของผู้เจ้ายากที่สามัญชนคนธรรมดาจะดูรู้ได้นั้น ต้องเหนือจากคนธรรมดาที่ติลูดี้คำคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นคนในโลกมีหูม่ตาเหมือนวก็คือประ้องเห็นสวรรค์ในพระเหมือนธรรมะจากสุขว่าหาตะวันไปฝ้าหลอดตะไหรว่าหาตะหวงตะเวนหลอดตะไหรแก่งตะไดรก็ะ่องก็เห็นสวรรค์ในพระต้องแสงปัญญาแสงเทียนสองตาแสงปัญญาสองใจปัญญามาจากาธรรมทิศ ทานศีลบุญทานศีลสมาธิทานศีลภาว น, น, นาหน้าที่ของญาติโยมมีสามยนนอย่างเดี๋ยวนี้ย่างเดียวคือทานนั่นทานนโมนีมว่าพกไม่ออกก็มันไปทําทานใส่จักมาสินี่ไปหาทานหรว่าไปทำบุญนี้คือเกิดเจ้าของเ <c ười> ดี๋ยวเทินข้า <c> ว <ười> ทำไปต่อมาไปมากเขาจับถึงพระทั้งโยมก็เห็นไหท่านเงินทอนหวัดขึ้นทอด <c oughs> หนังสงฆไม่ลาลายไปสางนั่นสางนี่ไปดึกเงินไหลดึกเริ่มจะความ่าจะไปฝากให้พี่เห็นนองไปใส่แน่ไปออกดอกออกผลสางนั่นสางนี้ไปรอกลักสิหลั ก, ลกท่อมของผู้เจ้าผลชุดทใต้จะหาตีมาตีไปปรได้ษฐ์จามจับพระสึกมันก็ น, น่าตัวอกหอมลอกเหมันจะร่มพัก อาทิตย์เป็นสองอาทิตย์จับก็ได้พระพุทธเจ้าคนสอนหนังคนคือในพระใจไปดอกไม่หนังสือเลียมเลยนี่ง้อมนักจับพระพุทธเจ้าเอาคําสอนของเจ้ามาสอนอหรือผมีปัญหาปัญหาปัญหานั่นเห็นบอกคนชอบปัญหาหาแต่ปัญหาแต่จ้าของ <c oughs> ถาในเมื่นักภาคปฏิบัติไปใช้กันบางวัดพระท่านกบเดือนทุกอาทิตย์นิมนต์ะสมมาแสดงธรรมนิมนต์ะสมแสดงธรรมโอ้แบบพระพุทธเจ้าก็เห็นวัดที่ดันตลุกเพราะการฟังธรรมอ๋อฟังมึงรู้ใจเขาเขาจะอิอ่มเพราะการฟังบ่จิ้งโคลีิยวเขาี่ิวเขาี่ยวเขาจมไปแนมะ่จมเหมือหมือตอกคำสิอิ่มบ่ อยากมีบุญอยากมีบุญอยากได้บุญอยากได้บุญจมไปแม่กันเพระเท็จเอ า, ท, เอาที่เห็นบอกหาใสก็หาบางแม่กับเพาหาที่หัวใจฉุกเืินยิ่งขวบความสงบไม่มีนั่นอันใจมีข้อมสงบแล้วก็มีข้อมสุขเพิ่มตัวอยากเน้นนักภาคปฏิบัติเด่นทำท่านให้ท่านอยู่แต่พรลงอาหารแ ท, นท่นติด เต็มถวยเอาเครื่องถวยอ่งเลื้อยอุงเอื้อนธนาคารย่อมตันจันทร์ประมจันทร์ประพอจานทร์ประพอนะใครน่ยแต่ว่าใส่ถุงให้กันตันก็ตุกมือินันประจันนะโอ้ยสงสารในหลวง ใส่ของคนไทยไปทงอาหารน้ำร้านอาหารอยู่เมืองนอกเคยอเทียบใส่ฟังดีก่าคนสองสามคนโตอาหารจัดระไรยามกินแล้วก็กองจุ่มกุมอยู่นหันศรีห้าเอาก็จาดว่าบ่ททาไงเสียสักสีหุ่นเ่งเขาว่าคนถูกคนยากวันทิไปซิมเดียนค่อยเอาลงบัญชีเอาไว้ว่านี้หุ่นเห็นบอ ไปถามเขาน้ะนั้ามาบอกราศนอาหารจ่ตั้งประเทศเป็นยังไดงดีบอนี่คนตั้งประเทศไหเอาประทานอาหารบอมีจุลปูแต่เขาผมมีมรระาะยังไงจังวะผมไม่มร่นระยะเขาสั่งหน่อยกินหน่อยเขาสั่งเอาจานเดียวนึงเอากระดาษเป็นห้องอาหารก็จะกินแล้ว นำลงไปหลายๆแล้วก็เอากระดาษไปเตรีมใส่ถังขยะได้เงิ้หยหนูก็เขาก็เจ็บจานไปเจี๊ยบตัดก็เลย่างซำวิม่มนานญาถุงปูวิมานญาตคนไทยเปน็นตั้งไดนมาเทียบ ก, กัน <c oughs> สร้างอาหารจุ่มกุ้มสิ้นเดีย น, นค่อยจ่ายนั่นตั้ง ก, กันว่าบูบมปูยานญาดี วัดเอาของเขามา้มงรู้ขาว่าซึ่งเดือนมาจายย่ายยังเขาบอกว่ามันมาจ่ายมติด ใ, นในของเขาไปเพราัดมิตรภาตาเดียวประเทศเดียวกันมาไปประเทศถวของลำบากลำบนดีบริษัทซึ่งเดือนมากกว่าเงินเดียนบอกพ่อเดือนนาตอไปของเขาบรรดาญาติดีบวบก็ดี ล่างถ้วยล่างจานประเทศสิมันค่าล่างถ้วยล่างจานค้าแฟบค้าสบู่ค้าหนังอีกมีเครื่องล่างถ้วยล่างจานนุ้งผู้ส ม, มือนี่นั่นเห็นว่าข้ามแจกไปนี่มีเครื่องก็เสียคือเขาหนือค้าไฟฟ้าแต่ว่านิดน้อยแต่นี่เขาคนเขาเนินใส่รายละเอียดนิดน้อยเพราเป็นยังหรกักใส่ไปเลยอันนี้น้อยแล้ว กุลลันว่ามีสะงหร่งพึ่งบันจบให้ครบบาทนั่นอันเนี่ยในนายสังหร่งหนึ่งมัดใจนั่นก็เก็บไว้สะสมไว้คนุใท้ายคือแต่ไทยคนไทยมันหาจัตุปัจจัยเงินท่องมาใส่มาเก็บไว้หามาใส่ประจำมือพนว่าเโอ้วันเทาแกจับใส่ได้คุ้มมากถึงจะอาศัยหนังเหม ่ม <c ười> ันเป็นใส่แนมสี่ก็เลยเงินไรวันต่อไรเอามาแตงไงก็พอๆเดี๋ยวนี้ยังเป็นทนายทอาเงินมาแก่คนทุกเงินมาแก่คนเถ่าคนแจ้ก็แต่จักกู้ได้ทุกแล้วเขียนสัสมุดว่าฉันเป็นคนทุกฉันได้บัดแล้วก็เห็นเหว่าบังคับหายใจพร้อมทำนี้ว่าไปเก็บไปทำนี้หรอว่านั่นเห็นว่า เอาละเอียดเข้าไปแปลว่าฝึกแขกค้นขี่ขาดสำหรับลูกพอวานิ้งกุญแจก็ครองเดี๋ยวรัฐบาลว่าให้รัฐบาลว่าแกกรัฐบาลว่าแกกนั่นถนนตำไวจเดี๋ยวนี้ก็นลำขาดถนนทางหาถังปูนมากว่างไว้น้ำถนนทางให้เขาปลูกเรกไม่ประับประดาโอ้ยนอบัวทีปีนาติบะ ผมไม่ตายเมื่อเราถห็ถถ him ิมหม่ขยายขนทางที่พว่าอิทธิบาทคิดเห็นแต่เจ้าเจาเห็นแต่เอาไปอยู่ไปกินไปเล่นไปหัวเพราะกินกลวงขวางโอ้ตั้งประเทศไปเจ้าคือศัตรูจริปกินน้ำหินปูนไส้เหตุนิยงกถาว่ามันโงเหตุโนนทางบ้านนู้นแลนสสามเดือนทั้งลำมงนก็เจ้าดีโอ้ไปดสอบนีแต่เหตุไม่ขยายไปไหมขยายไปไหมเพราะเป็นตําน้บัานเฮ้ด้ ก็ตั้หลักเหตุผลเท่าไทยเทวาพุทธคุณธรรมศิลธรรมบมีโกหกพกร่มปีนป้อนรอกล่วงต้มตุนกันเืองนี้พุทธพุูแก่ย่บานพุทเดียวพระใดทนักตมตุนหาลูกศิษย์ตุหาอยู่สลัก้าบอกว่าหลวงปู่ผมอยู่ดีๆงเจียงเจียงมีแม่ซี่แม่ขาวกลุ่มหนึ่งว่าเป็นระปุนเจ้ามากว่าผมเป็นโลกนั่นเป็นโรคนี่เห็ุนังั้นเหตเส้นที่แต่แจ้งั่นแต้งนี่ว่าจะเป็นตังไหนหลวงปู่ นั่นนั่นเห็นบอว่าพระพุทธเจ้าว่าอย่าเชื่อใจทางอย่าวางใจคนมันจนใจตัวเราเสื้อคุณนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระแม่กูบาอาจารย์ดีแรว่จ ะ, ตจ ะ, ตะแต่เป็นบ่อจะแต่เป็นเสื้อง่ายๆนั่นโดยเฉพาะคนมิถานานี่ยของเขาใจคนหัวสูงๆูงคุณะระดับสูงสูงคุณได้มากรอกอร่วงนั่นเขาเริ่มจะรูว้ว ให้ตัวเด้ถามน้องปูวนเป็นไหมออกก็ม้องติเริ่มไปเขาน้มเขาอยู่ประดับวาอนเขาเขาเรือ่องเขาไปดิกันภาษาเขาเอาคาถาหมาจริงคว้มขึ้นเขาใส่นีไปบักแง่แล้วมันผู้ได้เบรกผู้ยุ่งเรีบมันมันีม่ได้สา ย, ยศาติเป็นว่าเอาข้าวว่าเป็นพระพุทธเจ้าหุ่นม่าหู่จักนั่นหูจักนี่ไปเหมือนทำหน้าทายทักถูงว่าก็เดียินี้พอจมีมาแล้วมั บริษัทใหี่ยไอสัยโอ้ยเศาๆจะเป็นเสียได้ขนนจัดสินออกไปรถเขาดึงออกไปถึงอันเลยเขานี่โอ้ยบอกใจเอาใจเอาเหล้าข้าวอย่างเขาจะสร้างก็อย่างไปกยาให้แน่นหนักอยากให้มีสติอยากให้มีปัญญาคือภาคทำสมาธิถ้นมิสมาธิวมรอบรูในควองสังขารเรียกว่าปัญญานั่น เันมีความรอกลูงทีนี้แล้วผมมีกล้าหลอกลวงปีนปอดโกหกพบร่มกันหรอกซื่อสัตว์ทุจริตต่อตนเองและคนอื่นนั่นข้างของคุณเจ้าเมตตาปานีกรองร้องสมานสามัคคีน้าหนึ่งใจเดียวกันเมตตาการุณาโมทิตาอุเเปขาให้มีอยู่ในหัวใจเฮ้ยว่ า, าม่นอยู่ในหนังสือด้ววันมากธรร ม, มะมันจะอยู่ในตู้ แต่อยู่ในโตจากของพ่มีก็จะได้ยิงัึ้นเนี่ขาดจ้างเดียวพ่มมียังคนไทยเขาขาดการทำบุญสมาธิสินสมาธิปัญญาน่นกลมระบรู้ในความสังขารอย่างว่าปัญญาสิรูไปมิมัดกันมีปัญญาละิดถูกดีชั่วบาปุล่รกกาหลอกผู้อื่นและกลับประกาเสียผู้อื่น ข้าวเขาไปหาตรงผู้ถวาย่า่ไหมยาย ย, ายมีเงินเท่าไหร่อยากได้ดอกเยอะไหมคนเขามาอีฉันคนเขามาเบอร์นี่นะยายๆายมันไม่ป้าเขาไปผลไปถวานตันติว็เขาไหนไปแล้วโทรหาผูเห็นทำให้แนแต่ว่ามีกุ้งจอรผิดเ็ราถืมือเพราะเดีกเศ้าหากันแน่อันบะมีนี่กันแล้วสินะ แต่ฝนตุต้ตกระยากกี่คือเกาเรียบหดค่านั่นค่านี่น้ำเดืองน้ำเล่าน้นำท่องน้ำรองกันอีกแล้วบ่นั่นที่เสียเงินหนึ่งบ่เดยเดี๋ยวเดี๋วด้วกนมาพ่อเคิงสมองคำของบบราณว่ า, า จ, จะได้เป็มกวอนนี้กินจิหมาดีกว่าให้พยายามเน้นหนักภาคปฏิบัติไน่มีอย่างายหรอบ กเป็นหลายคือเก่าบอกเป็นตอนนี้่าส่งชุดดังของโลกมาสิ่งชุดคือทำบุญสมาธิมีความรอบรู้นะแต่มีสมาธิก็มีความรอบรู้ดีทว่าถูกถูกทำดีทำดีทำดีเพื่เดือดร้อนตนเองและบุคคลคนอื่นนั่นคำของผู้เจ้าอันเจริค้ำทำดีเจริค้ำดีทำดีพนได้ก็ว่าดีจี้ได้ก็ว่าดีโค้งงได้ก็ว่าดีโกงงคบลมได้ก็ว่าดี อันดียบันเีจะเป็นเดือดร้อนพูดเงินวันที่ตายก็มัดเดือดร้อนจากของอีกขึเก้านั่นกันเดือดร้อนพูดินกับมัเดือดร้อนจากของคือเก้ามันวนมาหนีวัดตะวนมันเขาปนมาได้ตอนไหนก็บันพุงโล้ร้องมุงโล้มันบ่กวัดเดือดร้อนจากของรล่ผู้จัดของเขาไปปนจีมากโกงมากเดือดร้อนมากห้องีกเป็นเรื่องเป็นล่า้อนี้ข้อนี้น้องไปหาเนียไปประกันกัน สรางควมทุกสร้างบาปไยวักกันสร้างบาปไปกันเั่นนันเห็นวักหนึ่งผูนะ้จับไเป็นบาปเพราะนัน <c oughs> กูน้ว่าเป็นบาปจะไปโกงเก่าตั้งประเสธก็มาหาที่มาหาเบืองก้นสมบุเบิลงลมพ่อลมพ่ายไปบุญของพระพุทธศาสนาบาปเมืองไทยเึ็นเมืองพุทธเพราะจะล่มเบินมากแท็กซี่ก็ไปหาตั๋วเขาแล้วไปชมโรงแรมที่นี่น้อยใกล้ โอ้่องรถล่องเครืงบินนัแต่เป็นเว้นคำมืดคุณตากับพวกโซ่ขเขาถุงหอดถรงแลมหาวิธีกินเขาแมนบอดอ่ดหาวิธีโกงเขาบออ่ะติดต่อเขาไวสาา้สักทีป่ไปใส่มาใส่ใช่เห็นนะตัวเบอร์ให้คนที่ปั่นมุ่งจักว่ามีลํามีร่วยมีนั่นมีนี่นะหาวิธีเอาก็ไปลึกก็ไปลึก ก, ลก็ไปดีโพ ด, ดีก็หาวิธีโกงเข้าไปหลายแน่แหลมนั่นเห็นเขาสวยงามคือกันก้มคืนเขา ผมขืนอาคาพ่อมปิดปากคนว่ า, ายุไส่แเมื่อพูดอ่ะมีศิลทั้งวัต้องเพ็ด ง, งานเน่าไรประเทศไทยรับแขกตามประเทศพ่อแล้ว ม, มีความอบอุ่นด้วยกานมีคุณธรรมศิลธรรมถูกผลถูกงานเป็นประเทศของเทวดาโดยเฉพาะยิงศิลของคาะวะโยมศิลมหา นื้ออยากให้แน่หนักภาพศิลธรรมของผู้เจ้าที่ผู้เจ้าหาศิลธรรมมาสอนคนเห็เสือว่าห้าวเป็นคนเ้าวต้องเหยียดได้พระพุทธเจ้าเหยียดได้เขาก็ต้องเหยียดได้เหือกันนั้นถึงพระได้พรถึงสวรรค์ในภาพก็ได้มนุษยธรรมภูม่มของมนุษย์ได้มากคือเกา่าเห็นพวกนีคุณธรรมศิลธรรมพุ่มของเก่าห้าวหรือพรได้ได้มันไปเกิดพภพนานทุกหน้าก็เก่าด้ พุทธรรมศีลธรรมนี่สิโยคะนาคีตก็ขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้ น, น, นมนรรษุษย์โลกอันนีสูงขึ้นไปเทวโลกพรมโลกเข้าสู่สวรรค์เข้าสูา่ปณิพานพุ่มของจักสันจักสันไล่ก็ไปมึงรู้พุ่มของใจนี่การใจสูงนั่นนะพุทธใจสูงมนุษย์ใจสูงคนน่ะบัเป็นคนธรรมดานั่นแหละห้ คุณกุศลอกจน่นมรองร้านเดติจุนองเดชเสสละพค่อยหลวงพูหลวงพาวาดีบุญกุศลคุณกุศลเที่วเดชเสียสละนี่คุณกุศลของคุณพระผู้เจ้าคุณพระั้งคุณพระสงฆ์และทิ้งะิทั้งหลายในสากรานี้ลงมาร่วมกันจงพกวงพกักาอจนน่มอง้านเดติี่นองถึมีแต่ความทุกขความเจริญุกกายทุกใจปรารถนาสิ่งหนึ่งอันใดก็จงสาเร็จจงสาเร็จการงานก็ดีการเงินก็ดี เดือดางไปไหนมาไหนก็เด็กจงเด้นข้อมสตรวลายตลอดกลอดภัยโดยเฉพาะในถ้ำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าตั้งภกตั้งใจพากันปฏิบัติตามถ้ำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแด้ดวงมีดวงจิตดวงใ จ, จ่เห็นมากเห็นผลเห็นสวรรค์เห็นพระนิพพานในปัจจุบันในชาตินี้เถิดสาธุแห้งกันได้ ดีคืออนุโมทามินั่งประเทศลา่ากับเจ้าสาธุม่วนมวนกร <c oughs> ะทั่งโลกมันตกมือสวัดบางแห่งบางอาจารย์พิธีของโลกด้ตกมือน่ะพิธีของครูเจ้าสาธุด้คือดีแล้วเจ้าค่ะตังได่ว่าสาธุดีขั้นสาธุเพราะมนขั้นเสียหายด้ ความดีใจความปีติใ น, นรรวความสินทับของพระพุทธเจ้าในแสดงคว่ำว่าจ่าสาธุนี่เทศเาสาธุสาธุสาธุาธอนุโมทามีขั้งที่สามเปลี่ยนเสียงตัวนี้เทศล่าผมไ่ได้ไปเประเทศลเทศล่าหรอกว่าเป็นเทศอยู่คนเล่ามาฟังเทศอยู่คิดนี่ ปัตต น, นมีแต่เล่าขอวัดหลายลาเล่าข้าราชการไปยุตัง้งปรเทศัติหลายไม่มีปัญหายางถามกรณีมีคำถามบอก